การอะไรเมื่อกลับมาถ่ายขบันดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าต้องการให้ทุกคนไปนิพพานตอนนี้การที่ต้องการไปนิพพานก็ต้องหมายถึงว่าการปฏิบัติจะต้องเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ก็จะขอพูดเป็นตอนบรรยัไป ถ้าหากว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในปฏิบัทาและก็หวังนิพพานในชาตินี้ทิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำก็คือหนึ่งทานการให้ทานการให้ในหมายความเราจะมีให้เวลานี้หรื อ, อยังไม่มีก็ไม่สำคัญถ้ามีและฟอมีโอกาสจะให้ได้เราจะให้ ถ้าโอกาสให้ยังไม่มีหรือยังไม่มีจะให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเรามีเรามีของที่เพิ่งให้ทานได้เราจะให้โอกาสใดที่มึงมีผู้รับทานเราจะให้ตั้งใจไว้อย่างนี้ท่านอวิชชาคารุสติกรรฐานเป็นกรรมฐานตัดโลภะความโลภต่อมาก็บรรดาแทนพทธบิดา ท, าท ต, ต้องทรงสินให้บริสุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปสินพรรมจันคือสินแปลกเพราะสินแปลนี่เป็นกำลังใจตัดโทสะความโกรธหลังจากนั้นก็จะเริญนภาวนาภาวนา น, นี่มีสองอย่างคือสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนาสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนานี่ต้องทำพร้อมกันมันแยกกันไม่ออก คือว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกทำจิตให้ทรงตัวนี่ว่ากันเฉพาะท่านยไปนิพานในชาตินี้นะแล้วก็หันจิตเข้ามาดูร่างกายเพาร่างกายข้าเรานี้ไม่ช้าไม่นานานักไปก็ต้องตายในเมื่อมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ต้องนนอนทับถมพื้นแผ่นดิน มีคนก็ทอดทิ้งแล้วคนที่รักเราที่สุดเวลาตายแล้วคนเลยรักเขาก็ทอดทิ้งไปเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้พิจารณาร่างกายเป็นสัญวารร่างกายเบ็นนิจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกร่างกายเป็นนิจจัหลังจากนั้นก็จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เพราะท่านนีต้องการนิพพานเนี่ ถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดอบัยภูมิเด็ดขาดจะมีความรู้สึกว่าชาตินี้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขึ้นชอวะกายเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรตก็ไม่มีแบลสระกายก็ไม่มีเป็นสัตวิชายก็ไม่มีสมอเราอย่างตาำที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหม ถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงบายภูมิให้พยายามตัดสัญญาณสามราการสัโยชนสามราการข้อแรกคนหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกมันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก่อนที่ตายเราจะส่งความดีป้องกันอบายภูมิขึ้นหนึ่งยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงและริยการที่สามต่อไปจ้งใจรักษาสินห้าหรือจำนหนสิบให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาสินห้าครบก็ได้ต่อไปก็รักษาจำนหนสิบให้ครบถ้วน ถ้าอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือม่อคือมีกำลังบุญเหนือบาป ถ้าท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพราะการฆ่าสัตว์รักทรัพพุทธิจิตในการเป็นต้นมาในการก่อนก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นสีวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกาลังใจคนจากความานานาเป็นสีดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นคนตายจากคนใหม่ก็เป็นสีวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกําลังบารมี รวมความว่าไม่ต้องลงอบายปูแต่ว่าถ้าทำได้อย่างนี้ถึงไม่กลับมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่หมากนักไม่นานนักปานิพานถ้ามีกำลังใจอย่างจำ <c oughs> ก็เกิดเป็นคนอีกจิตชาติถ้ามีกำลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติถ้ามีกำลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นปนานิพาน นี่ว่าการถึงท่านที่มีกำลังใจเข้มข้นไปลกลางหวังไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติไทยยังจะเกิดกี่ชาติก็ตามไม่ต้องการลงอบายภูมิตอนนี้ไปก็ยังพูดถึงอารมณ์ใจปกติขบรรดาญาโยมพระธรรมัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนักคิดว่าชาตินี้เราไม่ลงอบายภูมิได้ก็ดีแล้ว ถ้า ต, ตายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็เอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็เอาจะเกิดเป็นพรหมก็เอาหรือว่าจะกลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลงอาวัยภูมิอันนี้ที่บอกว่านี่เป็นการป้องกันได้ชาติเดียวแต่ว่าทุกคนถ้าปฏิบัติในการป้องกันได้ชาติเดียวได้ไม่นานนักอารม์ใจเข้มข้นก็สามารถป้องกันได้ทุกชาติ ถ้าป้องกันนบายภูนได้จุชาติก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้โดยง่ายมีวิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวคือเอาชาตินี้ชาติหน้าจะไปยังไงว่ากันใหม่ก็ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททงหลายความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทําทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอะไรสูงสูงมาก คนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตบุญบา ร, รมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมมานรดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าหลายๆคนหลายๆคนติดดาวดึง แต่ความจริงบารมีจริงๆสูงกว่าดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นนิมารดีเป็นสวรรค์ชั้นที่ห้าตามที่ตามพระสูตรที่กล่าวไวไ้ในวิมารวัตถุในพระใจวิดกที่กล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงสําหรับคนที่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจ เก่พระองค์ใดองค์หนึ่งก็าตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจถวายทานกับเฉพาะองค์นั้นเจ้าสหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบ พ, พระอรหันเข้าพระอรหันท์ท่านแนะนําบอกว่าการถวายทานเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์เมียในสงฆ์มากท่านไม่ปฏิเสธ แต่จะบอกว่าการถวายทานกระพร้าหันร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพ้าถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ขอโทษถวายทานสมเด็จสมานพระเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่านบอกว่าการถวายสังฆทานเมรุสงเลิศเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นโยมอยากจะทําทานให้มีผลมีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทาำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ ม, ไมีไม่ต้องมีวิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าทราบพระนั่งอยู่องค์เดียว นำของก็ปถวายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าทวพระนั่งอยู่ตั้่สี่องค์ขึ้นไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวกเรานี่ญาติโยมพุธบริษัทนำมาถวายเนี่ยจะมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานน่ยก็ไม่ต้องบอกไอโยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมด ปรากฏว่ามาตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตายคนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพานหลายพันคนมีวิมานแถวพราวป็นแก้าเป็นทองเรียยัดสําหรับน้องสาวตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิมมานะรีชั้นที่ห้าอยู่มาวันหนึ่ง ปรากฏว่าต้องสาวมาเยี่ยมพี่สาวพี่มันยืนคุยกันพระอินทร์นเห็นเข้าเห็นว่านางฟ้าที่ไหนมาแปลกประหลาดมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษมีเครื่องดัดแปลาแสงสว่างกคมาท่านเมื่อสองพี่น้องจากกันไปแล้วท่านก็ไปถามพี่สาวที่อยู่ชัน้นดาวดิ่งถามว่าใครมาคุยกับเธอ แล้วก็บอกว่าคนที่มาคุยนั่นคือพี่สาวไอ้คุณน้องสาวเวลานี้ไปอยู่ชั้นนิมมาระดีเพราะเธอถวายสังฆทานก็เป็นนั้นว่าการถวายสังฆทานมีอะไรสงมากเป็นพิเศษให้ญาติโยมติดใจในสังฆทานก็สามารถจยกกันนรกได้ในึ่งครั้งหนึ่งแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันแน่นอนคือตั้งใจยอมรับนับถือพระเจ้าด้วยความจริงใจ ในละไมายความวันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์คขาว่าเป็นอารมณ์เนี่ยก็มันจะไม้ความว่าต้องทั้งวันกินข้า ว, ไ ม, ไ, าวไม่นึกถึงก็ได้ชาวจาระปัสวะไม่นึกถึงก็ได้จะนึกถึงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าตื่นมาใหม่ใหม่น ก, ก่อนหลับตั้งใจนอบน้องขึน้นนำบัติการไหว่นึกถึงพระพุทธเจ้าดือตั้งตั้งใจไหว้ทนด้วยด้วยความเคารพหรือว่าถ้าจเจริญกรรมาฐานให้จเจริญพุทธานุสติกรรมาฐาน นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างที่เราฝึกมโนยิทธินี่ก็เป็นพุท ธ, ธานุสติถ้าก่อนที่ทําอะไรทั้งหมดครูต้องแนะนําให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นพุท ธ, ธานุสติแต่ว่าใช้กําลังเป็นอาพิญญาการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยอย่างกับ ยังกับพรามอาินอาินกะปุพะกะพรามเขาใต้กูนี้เขาเป็นอาจารย์ของพรามเขาไม่ครบพุทธศาสนาเพราะเล่าเยอะๆมือก็ไม่ไหวบายก็ไม่เคยใสเทศก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้มาสบายใ น, นเมื่อมันไม่หายมีทุกขเวทนามาก ยังมีความรู้สึกว่าความไปมาหาจัตถีทรัพย์ถิ่นของพ่อไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคโรคหมกเข้าต่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมในใจดีช่วยเรื่องทุกข์ของคนได้ยังนึกในใจว่าขอพระสมณโคดมมาช่วย ห, หายโรค ขณะที่นึกอยู่อย่างนั้นนั่นเองก็บังเอิญเข้าตายเวลานั้นเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนาำฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีทองคํามีวิวานทองคําเป็นที่อยู่ก็มีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจนนะึงยังมีนามว่ามัตตคุณดลีเทพบุตรแปลว่าเทว่าเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยง ต่อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเล่าลลลรัตัตไปในเวลาจำกัดลูกก็นแนะนำพ่อบอกให้ทำบุญในศาสนาพระสมณะโคดมเือได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจไม่เห็นอย่างนั้นยังไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไกรไปถึงก็ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว ไม่เคยไปเคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเป็นจะไปไปเกิดบป็ปปสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าความมณนะดูก่อนตามคนที่ไม่เคยไหว้ยกมือไหว้แต่าคตไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกรธ ดงกาถามว่าเมื่อเช้านี้เคอพบแล้วใช่ไหมายตามก็ยอมรับประพบแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบทัทฑิตแก้วจึงได้เรียกมัตยกุณฑรีที่ยวบุตให้มาพร้อมวิมานในเมื่อวิมานพระเทวดา ล, ลอยมาเทวดาก็มาด้วยคนก็แตกตื่นตกใจกัำดีใจมากไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยวิมานพอวิมานลอยเข้ามาใกล้มัตกุณฑรีเที่ยวบุจึงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมใจกราบที่เท้า หลังจากนั้นพระเจ้กาก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เป็นพระโสดาบันรงความว่าทายาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่สราบเหนกันนะเอากันในชาตินี้ไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปอนุสติคือตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตาย กำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่รง้นรกต่อไี้ไปก็ขอแนะนําการปฏิบัติพุทธกรรมฐานการปฏิบัติพุทธกรรมฐานหมวดที่ปฏิบัติกรนีเป็นหมวดที่สามพุทกรรมฐานจริงๆในพระศาสนาหลักใหญ่มี 40, มสี่สิบมีสี่สิบกอง แล้วก็ถ้าจัดเป็นหมวดก็ได้สี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติกันทั่วไปหมวดนี้ไม่มีความเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ก็ไม่มีกาเป็นทิพย์ก็มีไม่เห็นผีเป็เทิ่ยวดาไม่เห็นโกสวรรค์แต่ว่ามีฌานได้เป็นพระอริยเจ้าได้จะไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสาม หมวดนี้ฝึกอันดับแรกต้องได้ทิฏฐิภุยานก่อนคือเห็นสิว ด, ดาได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมได้เห็นสิ่งในรี้รับได้แล้วต่อไปก็ต้องฝึกปุปเพนิวาสารญยานคือระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดถ้า ต, ต่อนน้นเป็นไปเป็นพระอาเดียเจ้าเรียกว่าวิชาสามหมวดที่สามเรียกว่าฉลพิงโยคยือปัญญาหก หมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสามารถเป็นส่วนสถานที่นั้นๆด้วยเยนที่จะฝึกกรรมนี้เราอันดับแรกครูก็จะนําแนะนําให้ไปพระจุรามณีเจดียสถานมิติอยู่ที่สวรรค์ชั่นดาวดึง <c oughs> หลังจากนั้นบรรดาญาโยมพระโสรฆ์ท้ามีกําลังใจเข้มแข็งก็จะพาไปจะไปแดนิพพานที่เขาเรียกว่านิพพานศูนย์บ้างไปศูนบ้างวันนี้ท่านไม่ก็จะหมดสงสัยถ้าปฏิบัติได้นะ และหมวดที่สี่ที่วิชมิทายานมีความฉลาดมากขอแนะนําหมวดที่สามหมวดที่สามที่บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทกําลังจะปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าฉลพิญโยคือเปรพิญญาอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะต้องได้ทิพยานก่อนทนี้การปฏิบัติ ส่วนใหญ่เขมรดาแทานพระธริษัทศ์บอกว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดยมันดีพอกลับไปทิ้งบ้านกลายก็สลายตัวบ้างเสือไปบ้างอะไรบ้างเป็นต้นท้งนี้ก็คอยทราบผลการปฏิบั ต, ติการปฏิบัติจะทรงตัวได้จริงก็คือหนึ่งทุกคนต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลเนี่ยสำคัญมากถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิก็สลายตัว จะเป็นสินห้ก็ได้เป็นสินไปก็ได้เป็นกบฏสิก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบต้องทรงศินให้บริสุทธิ์เมื่อสินริสุทธิ์แล้วกาลังจิตสะอาดสมาธิก็เกิดสินกับสมาธินี่คู่กันมันโยงกันหมดเมื่อสมาธิเกิดแล้ววิปัญญาหรือแบบวิปัสนาญาณก็เกิดจะรวมความว่าสินสมาธิปัญญาทั้งคู่คู่กันไป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 แต่ว่าเวลารู้นี่สบรรดา ญ, ญาโยมทุกคนจงอย่าบังคับใร่างกายบางทีร่างกายให้ใจเบาเรามีความรู้สึกน้อยเลยบังคับให้ร่างกายให้ใจหนักหนักอันนี้ไม่ถูกต้องจิตจะหงส์สั้ร่างกายจะให้ใจเบาจะให้ใจหนักเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าเอาจิตใจรข้เไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าวเวลานี้ให้ใจออก อย่างนี้ถือว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุปปิกรรมฐานต่อไปอันดับที่สองเมื่อทรงกําลังใจได้พอสมควรก็ภาวนาตามคือเวลาให้ใจเข้านึกตามวา่านมะให้ใจออกนึกต า, า, ามาพระทะณมะพระทะนี่เป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิบเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามันยังมีใครสร้างขึ้น ก็ถือว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างก็เป็นพุทธานุสติที่เป็น เ, เรียกว่าเ ป, เ, ปเป็นเป็นการปฏิบัติตาม <c oughs> ตอนนี้เวลาให้ใจเข้านึกวั น, นะมะใจ อ, ออกในพระชะลอยจำใจตายใจสบายเวลาฝึกจริงๆครูจใจภาวนาประมาณสิบนาที ขณะที่ญาโยมภาวนาอยู่นี้จงอย่าอยากรู้อยากเิ็นอะไรเป็ี่ยนขาดถ้าอยากรู้อยากเข็นก็เวลานั้นจิตจะพุงสัน้นเพราะความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดตอนนี้เวลานี้คือมีความต้องการให้จิตทรงตัวหลังจากครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วต่อไปครูก็ค่อยจะเข้าไปแนะนำ ก็คือคนที่ไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงถ้าเป็นวงก็มีคนเขาไปนั่งกลางวงขณะที่มีคนเขาไปนั่งกลางวงตอนนั้นขอทุกคนโปรดทราบว่าเขาจะไปแนะนําตอนนั้นขอญ า, าติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาไม่ภาวนาเลยและลมหายใจเขาออกก็ไม่สนใจปล่อยตามสบาย แต่ว่าเอาจิตใจเอาหูไปตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัด ก, กิเลสเวลานั้นถึงไม่เราจะตัด ก, กิเลสไม่ได้แต่จิตใจจอาหูตั้งใจฟังใจตั้ ง, ต, งตั้งใจสํเเมเนียบกระแสธรรมะขณะนั้นจิตของท่านยังว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสความสบ า, ายก็จะมีขึ้นตอนนี้ ในการฝึกอย่างนี้จะต้องได้ทิพยานก่อนคําว่าทิพย์อีกทยานเขาบรรดาญาโยงบริษัทโปรราอาจงอยากเข้าใจว่ามีลูกตาเป็นทิพย์อันนี้ไม่ใช่ถ้าจะมีลูกตาเป็นทิพย์ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าอย่างพรหมนี่ถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ตาท่านก็เป็นทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเลื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้ เมื่อตาเป็นทิพย์ไม่ได้ก็ต้องใช้อศัยใจเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพยานคำว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์อันนี้ต้องจำให้ดีนะเวลาปฏิบัติถ้าเฟืลอยก็จะไม่ได้ผลคำว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์ถือความรู้สึกเป็นสำคัญ ไอ้ความรู้สึกทางใจขุณญาติโยงพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาก็าไม่ได้ย่อมได้ไม่สมานเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพถ้าท่านที่จิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะัก ท่านที่จิตสะอาดที่สุดเมื่อมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากก็ในที่สุดก็ถือว่าถือความรู้สึกเป็นสำคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอันดับแรกระครั้งแรกให้เชื่อทำทีว่านี่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ผิดถ้าหากว่าครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์ของจิตมีพอสมควรในกลุ่มนั้นจะมีใครสักคนตงควรตาม เขาก็จะหยุดแนะนําหลังจากนั่นครูก็จะถามถึงความรู้สึกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างคำถามของเขานี่ให้ทราบว่าเขาไม่ได้ถามเรื่องตัวเขาเขาถามถึงเทวดาเรื่องนางฟ้าเรือ่องผุมที่รืพระอริเจ้าที่ท่านสงเคราะ์ขขท่านมามากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั่งตัว ไม่ต้องกลัวผิดใถือว่าเรากำลังเรียนไม่จะมาสอบกันถ้าเราถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแ้านนี่ความรู้สึกคนในวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องตามคนถ้าเหมือนกันก็ตอบเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตออตามความรู้สึกนั้นเขาถาม่าแต่งตัวสีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึก ถ้าครูถามตั้สามระดับนี้ตอบถูกครูก็มีความมั่นใจว่ามีสภาพแจ่มใสพอหลังจากนั้นครูก็อาจจะให้ซักซ้อมให้แนะนำในการตักเกลีอีกครั้งหนึ่งเพื่อจิตสะอาดมากขึ้นต่อจากนั้นไปครูก็จะนำแนะนาให้ไปพระจุลามุนีเจดีสถานซึ่งตั้งอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นมมส ก, กายพองเทวดาุกมทั้งหมด จัดตรงนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระราหันเทวดากระผมเห็นความสวยสดงามของสวรรค์ชช่นดาวดึงแล้วก็หลังจากนั้นคขยจะพาปฏิพานนี้สหรับคนใหม่นะสำหรับญาติโยมและเด็กๆที่ได้แล้วแต่วันนี้รละวันก่อนตั้งแต่นี้ไปตั้งใจกำลังใจตามนี้ ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปราถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อมนุษย์โลกมันทุกอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องการกลับมาเกิดมนุษย์โลกต่อไปนี่เราก็มองไปดูสวรรค์กับพรมโลก สวรรค์ก็ดีพรหมโลกมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์แต่รู้ว่าสวรรค์กับพรหมโลกนี่ก็มีความสุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มีทุกข์ต่อไปดินแดนที่จะมีความสุขจริงก็คือนิพพานสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีที่ภายก็ดีเราก็พบมาแล้วหายสงสัยแล้ว ตอนนั้นไปก็ตัดสินใจว่าถ้าเราตายเมื่อไรเข้าไปนิพพานเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็รวบรวมกำลังใจภาวนาหายใจเข้านึกวนันะมะจะออกจากภทะและตั้งใจจากพระรูปรโสงค์ององรมมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่สใสต่างกำลังอย่าลืมว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นพุทธาลุ่มิสกมฐานแต่ใช้กำลังของมโนยิทธิกำลังของภิญญามีพระพุทธเจ้านำ ถ้าเราแล้วก็จิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อนั้นไปถ้าขั้อาจย์เข้าไปสอบซ้อมไปแนะนำไปฝึกซ้อมจะมีการคล่องตัวและมีสภาพแจ่มใสมากถ้าตอนนี้ไปควรญดายาโยงพุทธบริษัทหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลธรรมกายมังกรฐานไอ้ก็เปลี่ยนที่ไว